ะออมีหลายกระบวนท่ามากเลยมันล้วนแต่ของปลอมนะล้วนแต่ดัดแปลงถ้าไม่ได้นั่งท่าเนี้ยไม่หายใจเหรือถ้านั่งไม่ถูกท่าเนี่ยไม่หายใจหรือเปล่ า, า, ก, า, า, ลาก็ไม่ใช่ใช่ไหมอาณาปนาสตินะั่ะคือการที่เรามีสติอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกนั่งท่านี้ก็อาณาปนาสติได้นะท่านี้ก็ได้นั่งอย่างโลภคุณก็ได้นะนั่งได้ทุกท่าแหละนะ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 ธรรมชาตินะธรรมชาติธรรมดาไม่ใช่คิดเอาไม่ใช่เพ่งเอาไม่คิดเอาไม่เพ่งเอานะคิดเอาก็หลงไปอยู่ในโลกของความคิดเพ่งเอาก็ไปสร้างภพของความนิ่งนิ่งว่างๆขึ้นมาเพ่งกายก็เรียกว่าเพ่งรูปนะเพ่งจิตใจเพ่งความรู้สึกก็เรียกเพ่งนามเพ่งรูปเพได้อะไรได้รูปประชานไม่ใช่ได้ปัญญานะเพ่งนามได้อะไรได้อรูปประชานนะ